ทุกสิ่งเป็นอารมณ์จิตของผู้ทำสมาธิภาวนาได้ทั้งนั้นปาไมเคินของหลวงพ่อเป็นนักสกดจิตเป็นชาวอังกฤษเรียนจบแผนกเภสัชถึงระดับด็อกเตอร์เป็นนักสกดจิตเก่งที่สุดในประเทศไทยในยุคนั้นแต่ตอนนี้ท่านสิ้นไปเสียแล้วท่านมาเคี้ยวเข็น 1. ให้เรียนวิธีผลิตยา 2. ให้เรียนภาษาสา ให้เรียนสะกดจิตผลิตยาภาษาหลวงพ่อไม่ยอมเรียนยังเถียงว่าเรียนแล้วจะไปคุยกับใครท่านบอกว่าคุยกับป๋าสองคนก็ได้เพราะตอนนั้นมันเคร่งรู้สึกว่าตัวเองในเคร่งเรื่องเกี่ยวกับวิชาทางโลกเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยพอมารู้ว่าโลกคือสภาวะธรรมเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติ เป็นอารมณ์จิตของผู้ทำสมาธิภาวนาพอมารู้อย่างนี้แล้วรู้สึกเสียดายทันทีแต่ยังดีได้เรียนสะกดจิตไว้บ้าง